อานจึงโกหกญาตทางด้านใดก็ตามทางด้านปญาติปฏิบัติพราะเราเคยเกี่ยวข้องทั้งนั้นศึกษาเราเรียนทางด้านปรญาติเราก็เคยอยู่ออกมาทางด้านปฏิบัติเราก็อยู่เสาะแสดงครูอาจารย์เราก็ได้เสาะได้แสดงหามันก็มีเป็นธรรมดาเพราะกิเลสมันมีอยู่ทุกหัวใจมันก็ต้องสแสดงอาการรูป ม, มันดอนั่นเห็นบางที่หยาบหยาบมันก็มีถ้ากออมาจากคน นีสิสายคนเคยตันหนีภาคก็ตันหนีได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นความตันหนีมันก็ทำให้ขีดให้กวางเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบหยาบเดิมช้าม่สอยมีอยู่ก็ามาคอยสนใจสงเคราะห์สงหาใครอาหารกา ร, รบริโภคดูกับครูบาอา <c oughs> จารย์เต็มหมึกกระหมูกกับพระกับเนรทั้งหลายขาดขาดเกินๆดูคล่องคล่อ ง, อ ง, องเหมือนกับพระท่านเนรทั้งหลายเป็นสุ น, นัขตัวหนึ่งเหมือนเป็นคนแต่เราผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ มันเห็นนั่นนี่นะมันเคยไปแล้วจกนกระทั่งถึงอุทานภ า, ายในจิตใจเลยเดี๋ยวเออนี่เราจะได้เป็นใหญ่ไม่น่าเราเป็นใหญ่เราจะเป็นไปได้อย่างนี้ไหมโน่นอ่ะมันขึ้นอุทานภ า, ายจในจิตใจพระลูกวัดเต็มวัดเต็มว่ า, มวาไม่เห็นมีสาระอะไรเลยเหมือนสุนัขตัวหนึ่งตัวหนึ่งทําไมครูบาอาจารย์จึงเต็มไปหมดอาหารการบริโภคเครื่องใช้แม่สอย ทำไมลูกว่าทำไมจึงขาดเขินๆโแต่อย่างอืบถ้าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นหัวหน้านี่เราจะเป็นไปได้อย่างนี้ไหมนาโน่นอ่ะก็ะหมายความว่ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดหัว่าขาดว่างนันเลยเพราะฉะนั้นคํานั้นมันจึงถึงใจแล้วค็นิสัยก็เป็นอย่างนั้นมาด้วยเราไม่เคยไปอยู่ที่ไหนจะไปเจอจครูบาอาจารย์คับครับกระแขเราอยู่ไม่ได้ผมถึงจะตัวเล็กเท่าหนูก็ตามหัวใจไม่ได้เล็กนี่แต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็เป็นอย่างนั้นของผมเองนะ อันนี้จะผ่อะไรจะมาอุตริก็แล้วแต่จะอุตริมันเป็นอย่างนั้นจริงอุตรีแบบแนวเขาไม่ไม่เหมือนใครว่า ง, งั้นถึงอยู่คณะไหนแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเป็นหัวหน้าคณะของในวงนั้นไม่ได้แขกข อ, อนี่มีอะไรมาลุ่มกัออนเลยพระเนร์พ่อเห็นเราไว้ไหนมาเนี่ยมึงตีออกไปตันมันนอกไปอะไรไปเขานหมุนไปทําบุญทําทานเลยได้อะไรอมาเโอ้ยพระเน่์ล่มเลยเหมือนพ่อกับลูกของคุณง่ายนะ เพราะความสนหนใจของท่านเหล่านั้นวะเล่าไม่เคยมีอะไรมากันลุมแย่งกันเดือดกระเทิ้เหมือนพ่อแม่ไปได้มาลูกมันมาแย่งอะไรอะไรกับจากมือพ่อแม่แล้วมันก็ไปแย่งกันใครได้น้อยใครได้มากอะไรยุ่งอันนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็เห็นใจในภูมินั้นทางพระญาติเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยมีว่านั่นเป็นของคนนั้นนี่เป็นของนั่นน้องท่านของเราถ้าลงมาแล้วนั้นไม่ต้องมาขอเอาเลย ยนังสืออยู่เป็นอย่างนั้นผมยีมเนอะปฏิบัติเพื่อชำระซะจริงจริงจรงแล้วจะมาเป็นอย่างที่เห็นเห็นนั้นไม่ได้ว่างนั่นเลยอะ ไ, ไเกิดมีก็ขอให้ทานมาเพื่ออะไรนั่นเรารับไว้เพื่ออะไรเนี่ยมันก็มีความหมายต่างคนต่างมีความหมายเต็มตัวอยู่แล้วขอให้ทางนหวังบุญหวังกุศลจากพระจากเนนทั้งหลายในวัดนี้เนี่ย เราที่ลัาไว้ก็ลัาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ความสุขให้ความสะดวกสบายแก่หมู่บ้านที่มาเกี่ยวข้องมาอาศัยเนี่ยไม่เลยหวังจะเอาเหล่านี้มาเป็นมรรคผลนิ่งผ่านเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่มอะไรมีมาแก่กันสิ่งที่ควรแก่กันแก่แอ่าปัจจัยที่เขาอามาก็อย่างนั้นเนี่ยผมไม่ค่อย น, นําพายทำมันมีแล้วก็ใช้ไปเรื่อย เพื่อนที่มีความจําเป็นอะไรก็กทราบแล้วเรื่องของผมเป็นยังไงผมไม่ได้มาหึงมาห่วงก็เพียงหนึ่งมีอะไรผมก็ใช้ไปอย่างที่ยังไงตายไปช่วยเหรือไปอย่างที่เห็นนไม่ไหวังจะสังสมมันไว้เพื่ออะไรลองปฏิบัติมีปฏิบัติเข้าแล้วมันจะตายเพราะการปฏิบัติด้วยความอดอยากแล้วเห็นเห็นสไม่โอ้อ เกินจะของไม่ทำให้นอนใจได้ประหม่าได้ให้ก็มาให้เอามาให้การอยู่การปินก่ออย่างที่เห็นถึงจจ้การทหารทางนลงเป็นการเป็นเวลาเพามัน ท, ทั่วทำเราอย่าไม่มีเหลือในใจการปฏิบัติมามีอะไรจำเป็นไม่จำเป็นก็ต้องรู้คือ เล <Sp> <Government> ือกไปคู่ น, น้ำแบบทำก็หาเวลามองเงยไม่ได้เอาช่องหาทางที่มองเงยคุณไม่ได้วามปลูกการทำก็คือการขูดค้นอักทรามนี่ทางความสะดวกสบายเรื่องของกิเลสจะส่วนมากเป็นอย่างนั้น ก่อนไม่มีอะไรแล้วเที่ยวตามป่าตามเขาได้สะดวกสบายเหมือนมนขอยักพวกผีพวกงหารศาสนาเหมือนอย่างทุกวันนี้ไป น, นสะดวกสบายหทหารกี่วันก็จะไปเห็นอะไรน้าอ้อยน้ำตาลมีที่ไหนเหมือนจะเอาน้าอ้อยน้ำตาลมาถ่ายรูปมันก็ยังไม่มีจะให้ถ่าย ถ้าจะพูดเรื่องโกาโโแฟเลยกี่วันก็ไม่ไมกินอะไรไม่มีเลยว่าไงหมมันก็ไม่สนใจจริงอย่าง ท, ทุกวันนี้มันเห น, น, เาานือกว่าพอบรรเทาแั่เมื้นทานไปมันทาให้พยุงธาตุขันเบาไปเป็นระยะระยะ ความอ่อนเพลียนก็แรงมากนี่พระทั้งหมดมีเท่าไหร่นี่หคือพระยัียงเร่าไว้พักเพื่อระยะระยะไปท<น>ั้นั้นเนี่ยผมยังไม่ได้พูดออกมาว่าพู้ที่มาอยู่นี่รับภาในสํานักสำนักที่มาหมายัยผมยังไมไ่พูดนะว่ารับภารในสำนักเรื่องการอบรมเป็นของสําคัญ แล้มุ่ ง, งตรงนั้นเรื่อเปิดโอกาสรับผู้ใดมาเขามาอย่างสบายๆรับตามความต้องการของพระของเดือนรที่มาในวันนี้มันเต็มมาเป็นหาที่พกากไม่ได้ตลอดเป็นพกฝ่ายพี่ฝ่ายขาวที่ไหนเหมือนกันประชาชนที่เข้ามาใสา่ต้องได้กีดได้กันเอาไว้ให้พร้อมเหมาะพอประมาณ เมื่อนันมันเลอ เ, อเทอได้เลอเลอะไถ่มันเลอในวัดนี้เองอาหารมนมาเขาทำาพื่นี่บ้างเขาทำนั่นก็เต็มอยู่นีาตอนไหนจะเป็นจัดท้างเขาเองแล้วก็ มันก็เป็นอธิยาสัยของเขาแล้วก็ไม่ห้ามไมห้ามเขาไงมันในส่วนเรื่องเกี่ยวกับว่าเราเราทําได้แล้วสั่งให้หยุดได้ให้ทําได้อื่องจกเป็นความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเราไม่ห้ามไว้พืดกับสร้งสมอะไรกลัวว่าถิง น, นั้นจะหมดสิงนี้จะหมดถ้าไม่มีอย่างนั้นเรากลัวว่าทำหากวาเกิดมีในหัวใจพลาดแล้วมันจะหมดอืมหรือทำจะไม่กลุ้ เพรความรั้วเปล่านี้ต่างหากที่เาได้พูดได้สัง่งอะไรคิดได้ว่าแล้วเราได้พูดกลุ่มาปฏิบัติผมเห็นตั้งแต่ความรั้วเปล่าตลอดเวลาเลยไม่เห็นความขาดตับกคล่องบ้างแล้วทําเกิดขึ้นได้ในทางใดมากกว่ากันแล้วทำจะทิพย์หายลงตจมไปหรือทํำจะไม่เกิดได้ด้วยเหตุใด เป็นผงที่ควรจะเอาเทียบเทียงการทั้งความสมบูรณ์ภูมิผลและความขาดตัวบกป้องของปัจจัยสี่าร่องหามีสว่างเป็นเพ่นเหืนอมันุยมันเ้ื่อนเข้ามามากเลยนึ่งโรงพยาบาลมัทำาไมวิศววิจารณทั้งหมู่ทั้งคณะนักว่าอาชย์ก็ยิ่งร่วงเรยไปร่องเรยไป กาบไปกไม็มีหลักมีเกณฑ์เชี่วเีรอมันก็คไม่ใช่บวกอย่างทุกวันนี้มันเป็นแค่เนี่ยดูเอาสมัยโลกเป็นฝืนเป็นไฟศาสนาก็จะไม่มีเหลือข้างลงจะไดน้นคำตัดคนดี กิจการคนดีนี่มาหาทำความดีอธรรมเปน็นยังไงลทัทธิไฟไหม้โลกลทัทธิยักษ์ลทัทธิผีมันทำลายมันทำลายลทัทธิของคน เดินมิตรบากเขาวนาไปตลอดือจะเดินตามหลังกันไปก็ได้เป็นรายไปต่างองต่างเดินภาวนาลุยทางนี้ก็ให้ทราบว่าเป็นทางหลวงหรือเวลาออกมากเวลาไปก็ดีให้ทราบว่าคนเขาผ่านไปผ่านมาอยู่เสมอมรู้ใครได้บอกอะไรรถลาไปสิ่ไหนก็ไปจะสิ่นั้น บาทีต้องเด็กตะโกนมาบอกกันอย่างนึ่งทาอะไรไม่คิดไม่อ่านอย่างหนึ่งผมหนักใจตรงนี้นะ่ะมันขวางตาขวางหูอยู่นั่นแนะ่ละด้วความไม่คิดอ่านนั่นแนหะมันออกมาขวางอนะ่ะ ก, ก็เอาจเจาปัญญานี้ฆ่ากิเลสมันไม่มีปัญญาแเราจะอะไรไปฆ่านั่นสิ มันเข้าอย่างก็ตรงนั้นนะที่ทําให้หนักใจหนักใจมันไม่ใช่อะไรนะโอ้ธรรมยังไม่ได้อธิบายหมู่เพื่นฟังก็หมู่เพื่อนก็ดุม้มจะเข้าใจกันพอสมปว ร, ะประละมัง้งอ๋ธรรมย์อธิบายบังเดี๋ยวตรงไหนที่เขาอธิบายผมก็ลืมไปแล้วเออแบบนั้นก่อนมีเผื่อล่ออยู่บ้างเล็กน้อยเล่นกันมันเน่นหนัก ดังนั้นแล้เทคนหมู่มากก็เพื่อคนหมู่มากก็ไปอย่างหนึ่งเอาแน่ไม่ได้หรอกการเทิดเทิดคนหมู่มากลิ้นนี่สายพื้นเพต่างกันไปตามตามนำอัมดาเขาต้องเทิดเผื่อไว้อย่างนั้นภาพนี้มากนะถึงใน ม, มีเล่นๆบ้งางภาสามร้อยกว่าที่นั่นเราก็ตัง้งใจจะเทิดสงเคราะห์ประชาชนนะความคิดที่แรก น, นะ พอก้าวบันไดขึ้นไปนี่โอ้โพรเนนเต็มทุอย่างนี้แล้วจนกระทั้งถึงธรรมะนทางด้านทางด้านที่หนึ่งนี่เต็มไปหมดเลยมันก็เลยเหมือนกับพรมมาจโรกาอยู่ในตัวนั่ น, นเบรนมาทางพนะระนะบังพอสงควรคนก็มากน่โอ้โหผมไม่สรางว่ากี่พันเ่ยอยู่ไหนก็ได้ยินหมดเพรเครื่องกระจายเสียง ก็เทศได้นานพอสมควรเพราะเราพยายามล้างไว้เสมอมาให้เป็นไปตามนิจใจกลัวว่าอันนี้จะไปไม่ตลอดทําพอมันเด้งอนี้มันก็ต้องใช้ลมใช้กําลังลมก็กําลังก็ดีมันจะท้อนเข้ามาตรงนี้มันต้องระวังระหว่ังการระวังระวังนั้นอ่ะมันไม่เป็นเตินิเมตรตันหน่วยนะคือจิตมันไม่ได้พุ่งพุ่งมันมันประวัตินิดประวัตินิดนี้มันก็ ตัดทอกํลาลังออกไปเมื่อทำก็ไม่เป็นไม่เต็มท่านจะคุณนักนมาอาริยาเวทีขึ้กมามาในงานนี้ท่านอาจารย์ศิลป์ขมาแต่ตอนผมเทศ จ, จบแล้วผมลงมาแล้วท่านถึงมาถึงที่หลังนะดูท่านเทศอีกกันมาเรีนร่ากันตอนกลาคืน รประเทศอกันเนึงพอผเทศได้เวลาผมก็ไปขึนไปทีเดียวนีพอได้เวลาก็ไปพม า, า ม, พมาตา ม, ม, ม, ตจจมก็ไปถืมาตามผมก็ด้ยินเสียงธรรมะแบบนี้จนจะจบผมก็ไปแต่นี่พอผมกนาลังเตรียมจะไปพระออกมาเอากาไปได้ไดแล้ว ท, ท, ท่านาจางท่านนั่และจิตไปตามแล้วก็ขึ้นธรรมะเลยลมตจธรรมะอากาศแล้วน่าหนึบจับ ไม่กี่นาทีพัฒนาภาษัยกับท่านจุกคุณเลยทีไปถึงก่อนแล้วก็นีเข้าห้องเลยวันวันข้าก็่ะพอฉันไป ก, ก็หนีเลยคนลุงกไล่ดุ <c oughs> ดูเขาแล้วก็เพ่นด้วยเราหาดุเพื่อหาทางอองนีกว่าหนีมันนอนอยู่ในห้องนะจงกระทั้งห้าโมงถึงออก ห้าโมงเช้าบอกแขกเต้มอยู่ข้างนอกผมไม่สนใจปิดประตูอยู่ข้างในเป็นห้าโมงถึงออกแขกทั้งทางอะไรทางภูเก็ตก็มีนะมารออยู่นั้นจังหวัดจากภูเก็ตก็มีจากจังหวัดไหนหลายจังหวัดมารอกันอยู่นั้นท่านี้ไปรับแขกตั้งแต่ห้าโมงจนกระทั่งบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมง นี่ น, นี่ยรับแขบเลื่อยนะพอเพิ่ม เ, เ, เวลาแล้วก็ลงไปลงไปปรังลงไปก็ไม่ไปหาที่ไปอยู่ที่แขกจะเข้ายุ่งได้เขาไปพุ่มหนอนเลยพอมองเห็นก็อยากจะพูอยอะไรอะไรแต่เราไม่ไมาหาับพูดแข่งทำมาพิธีนี่นต่าง กระทั่งเออเนี้อันหนึ่งทำให้สะบิใจนะในหลวง <c oughs> กับเด็ฎ์กับเด็ดพระเทพเจษฎ์มาลงอะดึงสายอะไรไม่รู้อตินั่นขึ้นคนบุ้มเสียงพอว่พูดกันลั่นเหมือนกันนะ ท่านอาจารย์ท่านแสดงเอาเอาปน็นนิหารแอบอยู่มากนะใครพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยตามีทุกคนแต่ว่ามันไปอะไรกับตะวันอะไรเลยมันก็ไม่ชัดเวลาจวนจะเข้านั่นลุ้มเป็นช่องเนี่ยดึงดึงนึกว่าไปเราไปไ ป, ไปถึงน่กว่าเข้าช่องพวกคนที่ ร, ร, รักรัฐอยู่ข้างในก็มีมก็แสดงความสว่างแพผวเปล่า ออกมาอย่างเต็มที่ที่ข้างนอกแต่ว่าข้างในจุดไฟนั้นก็น ม, มันก็ไม่มีมองเห็นทางนั้นมืดมืดมืดมันเป็นอย่างนี้ต่างหากจนจนจะเข้าถึงเนี่ยอยังไม่เข้าถึงปากอนี้นะ่จนจนจะเข้าถึงประมาณ้ห่างประมาณแค่หนึ่งวานใครอยู่ทางด้านไหนมันต่มองมาเห็นเห็ น, นเงาหมึกความสว่างแสดงเป็นเหมือนกับอะไรดวงไฟเนี่ยชัดชัดขึ้นตรงตรงนั้นเลยอะพิงตรง อันเนี้ยกระจกอะไรทิ้งท่านอยู่ข้างใ น, นดแสดงมันใครจะเห็นชัดหมดพูดกันเสียงเดียวกันอันนั้นก็เข้าไปถึงกระทังถึงโน่นโอ้ท่า น, นดแสดงเอาไปนิหารไปดูด้ว้ใส่ใส่ดูด้วยแสดงเอาพิธีหารแปลกดูนะะท่านอาจารย์ท่านนี้ผมยอมรับเลย ถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ท่านแสดงกัพิหานไม่ได้ใครจะแสดงได้วะผมยังไม่ได้ลืมมันติดหูติดตาติดใจใครที่สานหัดแตะจะเอาใบไม้เอาฟางมาใส่นำหรับกั้นห้องอะไรรูปธรรมปนะลังท่านเนก็ช่วยกันสานพ่อมจะยมก็มาช่วยกันสานอะไรนั่ น, นถ้าอาจารย์ท่านท่านเป็นหัวหน้าอยู่นั่น แล้วก็อยู่ๆก็มีผู้หญิงรุ่นสามคนกําลังลขึ้นขานองแหละขี่จะกรยานมามาใกล้ๆพระนะถ้ากําลังนั่งเป็นแถวก็นั่งอันอนั้นอันนั้น น, นั่งสารทับแต่กันอยู่เต็มนในย่านนั่นไม่มียังเข้ามาได้ขนาดสุดอสง่งนี่กําลังอพระที่สุดหลวงพระนี่ยนี่เข้ามาใกล้ๆนี่ท่านก็มองไปนี่ทา่ทานจันทฟัง พอพมานี่มันมันมันมันก็โค้งกลับไปเพราะมันโค้งนี่วะเป็นว่างอย่างเี้ว่าดาดีไสมันดื้อไรเด็กตัวนี้ว่ะดื้อขาม่าอย่างนี้ว่ะตองพับมันเล่อยู่ดีเดือัพษีภาษาไว้ามาราจำเาียรหัวยิ้มยิมอย่นีมเื้อเงินมันออกไปอย่้มันลงอาเบิรมันขำตรงนี้ดินี่ เอกมาเหง่อมันลมมันมันหน่อยห่บ่มันเจ็บถึงมาทนนี้ล่มมันอนอนเจ็ยมันขึ้นเดืกเถวพวกนี้พอวางนพาเน่งก็ได้ยินด้วยกันนี่นะแตเขาบ่ได้ยินเพราะเขาห่างไปเรื่อยๆพูดพานเนื่องก็ได้ยินพอได้ยิน้างหมือนกันมึงเจาะสารนีมันกับพอาษาลดียวกัใจไม่ก็เจาโอ้ยตาเป็นตาเดียวกันรถไปหันมดท่านองค์ทัดนเองน่าูอยู่เลยทันเพ่งก็ได้ท่านก็ดู สักเดียวบ่บานพราลงลูกมับกเปิดได้หนำเห็นเพนมันจะด้าในหัวกเลยมันอายนาไปนเห็นายป่านนี้มันอยู่ที่ยัางมจกะมันเพ่นต่พุ่นเลสามชิกนก็ปีเดีวมันอายนวันดานนั่นนั่นแหละหาไหนมันเกดนั่นัไนมน่นนดูี่นั้นท่านําไม่แสดงได้อย่างไง เอาท่านเอาตอนหน้าต่ตางๆเลยค่อยดูก็เอานี่ยล่มไม่ดูมัน เ, เจ็บแล้วหายเล็กน้อยหน่อยแประมาณศาสนาดีกว่าผมว่าผมว่าเรนเนี่มันใจงวดนี่มันประมาณศาสนาดีกว่าทีนี่ก็ศา ส, สนาเอาล่มมันมแวนหลดดงนั้ผมเชื่อเลยดีคนงะ ล, ลาย่ถ้าอย่างท่านแสดงไม่ได้ใครจะแสดงได้ ถ้ปฏ um, e uh, uh, ิบัติในสมัยปฏิวัติท่านเด็กเหอนกันในทางนี้แล้วทีนี้อ่านที่อยู่วกกาัมาหลับเพราะท่านในหลวงท่านท่านคงบันตุนี้เสร็จแล้วท่างเสด็จเข้าในในอปจะดีนี่ท่านเสด็จออกมาเราก็เห็นในเวลาท่านเสด็จออกมาพระราท่านกับเสด็จกงเดินตามรันนะครับ เขาูบยาเขียวสดงอมนการเดินระเดชผ่านตัด ย, าดย้ากปนามยาออกไปมาหาสมเด็จปรัราษหันหน้าไปทางเจดีย์น้เด็มาพอท่านเจดีย์ก็มานั้นท่านกับทั้เรือมามองไม่เห็นัเรืไม่เห็นเราท่านก็มีอาการนิดเราก็รู้ส่วนสมเด็จยังไม่เห็นเพราะสนเด็จัหน้าประทับอยู่ตรงนี้เราพันนั่งอยู่ตรงนั้น ห่างกันประมาณแับว่าวกว่าแต่ตรงนี้เป็นเป็นไมีอะไรยอยู่ตรงแถวนี้ไปนี้พอในหลวงทรงกลาบเรยร้อยแล้วนะคุณเดชพลาะมีปะตร ง, รงเขาเรียกู้เข่าหรืออะไรผูพระชงเหรอราชสาัตพันธ์อ่าสมุขเขากำลังจะกลาบนี่าตามสำคัญ น, นี้นะโว้ยหวแรงมากนะ ผิดสังเกตออกมากใครเห็นก็ต้องต้องรู้ทุกคนท่านกําลังจะจะทรง ก, ากราบสมเด็จพระนกราชนะพอดีท่านจำเริ่งไปเห็นเอากําลังจะลงแล้วนะผมก็มองดูอยู่นี่ท่านกําลังลงพอจำเริงมาเห็นแล้วปุ๊บทันทีเลยเนี่ยท่านหมุนปัป๊บาดอย่างนี้เลยทันทีลกก เ, นเลยกราเอินั่นเลอแม่ย่าของกษัตริย์ก็เรียกว่าผิดปกติเอามากตรงนี้คือท่านคงจะสดุปพระไทยอะไรในขนาด น, นั้นเลยทําให้ เขพูดทภาษ า, าเราเรียกว่าเผลอสติไปสา้าว่างันกูเลยกำลังจิดกังไปทางโน้นจะมากแต่กำลังจะลงปุ๊บทันทีเลยนะนั่นส่งกลับไปมองไรียนแบบกลับทีเดียวล้วใครๆก็ตอกแตกตาเนะพราะคนมันตาจับจ้อ ง, งกั น, นอีอเราเองมยังรู้ได้ชัดอ๋อผมคนไปจับไปรู้ได้สมเด็จทังขนาดเราก็ลืมมองท่านเช่ตอนนั้นถ้ า, ท, าท่านมองก็ต้องเห็นไม่ชัดอีกแต่ตอนนั้นกําลัง สนทนากันหลวงอ่กำลังจะสนทนายังไม่ได้สนทนาแต่กำลังเริ่มทุกย่ก็เสร็จเข้าอยู่ทางๆหน่อประมาณสักวานนึงจากนายหลวงไปเนี่ยตอนที่ท่านไหวเนี่ยไวอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างรวดเร็ อ, อย่างผิดปกติกำลังจะทรงกลัป้าปเปยเงี่ยปุ๊บทันทีเลยมันต้อง ลืมจับยัางอะไรตอนนั้นอาจจะว่าถ้าภาษาเราเรียกว่าเผลย์คจะเป็นพความสนใจมันรุนแรงเกินกว่าสติจะตามทันก็ได้ในความแ่จางนั้นท่านหลวงเจเ ด, ดปนี่เข้าไปเยี่ยมเราในนั้นเข้าใกล้ๆเลยนะเราขยับออกจากเก้าอี้ออกมาเพราะมีพาอีกที่ข้างๆนีท่านไม่อยากให้ใคร ยินด้วยรู้ากาศเพราะงั้นเราถึงจะจ่อกอันอย่างนี้นะเบาๆเบาๆแล้วก็เบาๆก็อย่างอย่างน้อยไม่ต่างกับสิบห้านาทีนะลองคิดว่าจะประมาณยี่สิบกูจะเราไม่ได้ดูนาฬิกาภาษาเราเรียกว่าท่านจมคุ่เข่าคุณท่าเพราท่านพานานานารานะท่านเสด็จท่านถอยออกไปนล้วเสด็จพระราชนี้ก็เข้ามาแต่ไม่ไม่เข้ามาใกล้นะ มาขนาต้นเสานี้ขนาดจงกลับกราบสวยงามมากนะนี่ะตอนแรกคนถ่ายภาพไม่ตอนนนหลวงชนนากับเรานี่ประทัยมากกว่าที่ท่านนากับเนีกับตราอยู่จัมบาลา่าคนถ่ายภาพมากตอนแต่สู้ตอนสมเด็ จ, จรงกลัไม่ได้อันนั้นโอ้โหจนลูกตาจะแตกหนักแล้วก็เดี๋เริ่มจงขุคุกภูเขานั้น เริ like ap, pip, pip, pip, pip ่มแล้วน okay. ั ouais so well, ่นน่ะภาพผิดภาพผิดภาพผิดอ่ะยิ่งตอนทางสงกาแล้วโอ้โหพวกช่างภาพจนกระทั่งว่าตานี่มันจนรู้สึกยริงอ่ะแป๊บแป๊บแป๊บเข้าในสมองพอถ่ายแต่เรามันผัดภาพเย่างนี้มันผัดผิดผัดผิดผัดผิดอย่างเงี่ยไม่น้อยเนี่ยมันจอลงจุดเดียวท่านก็คงสุดทรงลาการแต่ว่าท่านหันมาพักมาทางเราเนี่ยเท่านั้นถ่าย ถายมาอย่างงั้นนี่มันเข้าเราหนิมากอะ่ะถึงไม่เข้าดีไม่ก็ภาพมึงก็เห็นแล้วโอ้ะวันหลังรัวเขาก อ, อกภาพออกข่าวพิพิมพวกถ่ายภาพเหมือกันช่วยโอกาสตอนนั้นแล้วธรรมดา ม, มาถ่ายกับเราตต่อหน้ามันก็ได้พร้อมจะมาถ่าย ทำนย่เดียวมันจ็ุดเต็ม เ, เราไม่เหมือนไก่ที่มาถ่ายอย่างงี้ทําเยอะวเถ่งเลยตอนนั้นเขาไม่ไม่มีองค์ไหนกล้าทําเล่ามันกล้าใครก็ตามเป็นเทวดามาจากไหนก็ทํางคือนองกล้ามันไม่คิดกล้าที่กลัวใครถ้าว่ากล้าว่าไอ้เขียนเนี่ยเหมืนเรากล้ามันก็ไม่กล้ากลัวมันกกลัว ห้ามไปห้ามหิบของน้องเราในใจของเลยมีอคนในใจเราห้ามไปเลยไอ้จะทำมีปีเกียนอะไรเราไม่เคยสนใจโอ้ไก่สนใจงั้นมันทําไม่ได้สิ่งหนึ่งคราว่าดุด่าว่ากล่าวนีนะ่นจะมาบัวนี่ดูอย่มันนั่นทั่วประเทศไทยเพราะว่าฟังไปนีน่มันไม่เคยสนใจคำกล่าวว่าถ้าเราสนใจงั้นเราก็เราก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าที่เดียวกันั้นไม่ได้ผู้ในงานเขาหมอบ ต่อโล ก, กธรรมทีนี้เราไม่หมอบมพูดํำเหตุจำผลว่ดุก็ดุออกไม่ไสนใจว่าใครตำหนิตีเกียนอะไรไม่สนใจนอกจากเหตุนผลหลักธรรมที่แสดงไปเท่านั้นในขณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นพูดว่าพอเทศเราพูดจวไปแล้วดูจไปแล้วเราก็เหมือนไม่ดุนี่มันหายไปมันว่างันจะ อ, อะไรมาคิดมันมีภาพมีการ พ่อจะแก้ไขแัดแปลงไประสมใหม่สิ่งที่เราแสดงไปนั้นเหมาะสมแล้วด้วยเหตุผลแต่แก้ให้เป็นอะไรคนหลักคนหลักคน บ, บอกก็บอกตามเหตุผลคือหลักธรรมที่มึงความถูกต้องหมดแล้วนั้นแต่มาแก้ให้ไป็อะไรอีกปากครมีประมาณเมื่อไหร่เขาชอบใจเขาชมเขาไม่ชอบใจเขาก็ทําหนีแต่หลักธรรมซึ่งให้ความลเยิงแก่โลกนั้นเป็นสิ่งสาคัญมากที่กหัวใจคนแต่ละรายละซึ่งหาประมาณไม่ได้น่ะเอาตรงนั้น คือกกงว่า่ดย่เโอ้ยริงกับเขาพูดเรื่องพ่อเราคยอไเขาบกว่าดุงเขาบว่าุนะพูงายๆกไเรื่องเป็นการเรียกว่า พวกมรูกแล้วพวกเสียงเม่กาองคนองคนอ๋มึงบอกยามไม่อของดีก็เอาของูุเอาไปฟังเถอะบาม่อะไรของดีก็มาเอางเสียหายเงีอีกคือมันขำกิงก็พวกอุบัติเหตุหารเล่นนณะกันมาก่อนจะมาก็ว่าเขาฝูกข้ามัอยังเต็มขี่นย ก่อนที่จะก่อนจะไปนั่นแ่ะก่อนจะลาไปเขาต้องมาพูดนั่งเห็นไหมว่าใครก็ว่ากันหาบวดุจําหาบวดุฝึกซ้อมมันจะจนเต็มพี่เต็มฐานโบรามาแล้วท้าไม่เห็นท่านดุว่างเงินนะเราไปเฉยเฉยเพราะว่าเขาฝึกร้ามให้เต็มพี่ในสุกกันอะไรฝึกซ้อมฝึกไกลต้างระวังเพราะฝึกซ้อมการจำหาบวัวการจำหาบัวให้เหมือนองค์ในนั้นต้องระวังอยู่นาน้ํามันระวังคาพูดคําจาแล้วงั้นโดนดุกันได้นะ ตุดกล้ามกันระมาดระวังวางวางั้นาก็ถฉยคือนบนเวลาเาจะไปจริงที่ี่อะไรนั่ น, อนนะเอนะอะไรนั่นเนาะยื่นผ้าเช็หน้ามาให้ขขอให้หลวงพ่อเหยียบมึงให้เป็นที่มึงคุนแล้วก็เายื่นวางเนี่ยขอเหยียบผ้าเป็ที่คนน่อนไหนวะรัะกวางงั้นว่าก็ยื่นมาวางนี่แป้าก็จามได้ป๊บก็าเขาปาต่อยได มันเป็นบ้าหรือพวกนี้ทันเลยละบา้าจะเอาเราดิาบบ้านใเสีเ้ยนยัง่อถ้าว่ตาวตีมันเป็นตีมคนกันเหยียบตีมมงจะโอมีบ่เหยียบก็ไม่มันแหลกไปเลก็มันนงคนอย่าง้ตีนข่อยตีนข่อเหยียบชีจะติดเหยียบเ้าไส้กันวตี ม, จ, ตตมจะอมต้ิจตกันไหนวะพวกนึงหาดึองอบบ้าไหมคนหนึ่งนา่นเห็นไหมเห็นไหมเอาเราิบดินานเห็นไหมนนเห็นไหมไหรือเอานนีเขาเขาเขเขาบังีเขาบอกสนุกเขาทำไหม เพราะเขาเขาก็ว่าเรืหนาขึ um um um um um um um ้นการตัางเนว่ามันเป็นเพราะเรื่องตามเหตุตามผลจริงๆหันเห็นไลๆเลยเวลาเขางันเห็นไลาเราลงเวลา้งเอาอยู่นี้ตงเอาไปดูคือทวีหนหนักเห็นให้วฝากตาเลยเยเขากระจายบุ๊คเขานดูความนี่ย คนมุ่งด้วยเทพอคกิจเลยดิเ ด, ด่นเอานี้เลยมุง่งิเทพอกิจเลยนั่นแหละชั้นนั่นะของาติถ้าสูงขนาดเดียวกันี่เสาจึงเป็นเหมือนเอามีมือํามาทั้งตนข้เถอะเฮานงี้ ม, มันมีความหมานงงั น, นข้องแขงมันติดต้านท้ความหนักของของึ้นไม่ทางบนผิดเท่ไป่านานๆเหงอ เขดีจากคุณเทพไป็นยหันเงาผมกวากันแล้วกันแล้คราวนี้เสานี่มั น, นเป็นทย่ไหนแล้วล่ะเล็กแก่นหน้ามันไป็นยังไว่าจะบอกต่างพระนุจักดีเหมคนนี้อธิบายฟัาเล่ใบายเล่าก็ท่ามหนตกมากโอ้เพิ่เอาใจเพิ่แมวเสดช่างเขาบอกาบอกางคนคือเสาที่ั่างนั้นมันก็6หกหุนอันนี้เสาสี่หุนั น, นเล็กอ่ะสี่หุน่นเลยทนยเศษลุก คนกระเาปัาวะยางบนมาบะท่าต่างแต่บะท่ำต่างคือเขาแนก็บอกไไบอบ แ, บ แ, บแล้วก็ ก, ว ก, กุ่มก็เล่าวิตกเสาก็ก็เสา่อนี่โอ้ไม่ไหวแล้ ว, oh, วนะอย่างมันพั ง, งแล้วว่มัแล้วเด็กคนก็่ท่านาแอมยังเห็นเลืสล่ ก, ลกทงงอองกงังขางเลยว่าเป็นกระตายควันบวมก็หูใหต่โตเหมือนเป็นแผงแท้ สะพานมันเป็นล่างอะมือมันหลายหลายย่านสะพานมันเป็นล่างหบแล้วโอ้ยนอกจากะมีเก้าห่องบึงๆคือมันเก้าห่องผมนับผมลืมละงา่ายดีเลยแล้วห่องนึงมันหนึ่ซีเมตรซีเมตรบึ่งไค่ห่องห่องเก้าห่องกว้าง เฮยาบังค you ึงมุ่งเปือนเ้งเท่อันนี้เลยสาราบไปเลยเท่ครมติพออวันี้อาจารย์พักข้างมันเสามันงอเพียงพ่อเล็กข้านเล็กอย่างมือห้างบราว่าขนาดอันไหมข้านตามแบบตามแปลนเขาทำไห้เขาบอกมว่าเบี่ยมแล้วของเขาติดน้ำหนักพ่ออย่างนี้ เฮ้ยเสียงรูทุกครั้งเมื่อตั้งอันนี้ก็เสียงเนาะผ้าเข้าไมเนี่ยบางอย่างบางผมคิดเนี่ยเสียงที่แตต่างใจของสิ่งที่เป็นสิ่งที่เชื่อคนอื่นนะเราบางคนมีความทํานั่นหรือจะไม่เชื่อเขาท่านทิ่ตั้งใจเห็นมันมีความเหนี่ยหนมันก้มบอสสั่งอันตรายใจจากของให้ผู้อื่นไหก็ต้องเชื่อเขาสิเพราะว่านี่ก็ต้องทําต่างของเพราะว่าเลขาธารหุ้นก็ต้องยังนั้นเท่านั้นที่ถ้ามีความฉลาดก็จะสั่งสิ ช้งมันมันเป็ น, นได้นั่นนั่นมันต้องกวรอยืซือมันก็เป น, นได้เสั่สงสั่งมันอี่ยงข้นที่สั่งก็สั่งตามแปแปนเขาเขาบอกมันก็เป็นแะได้ไงทไมมคิดอีกล่ะนี่พ่หญ่ผมว่ามันเป็นสังผมยังไ่ตรวจไปเ็เานั่นเดีวเห็น้ยนานนยยังมีมือเยอะข้ามมือหนักหนักมถ้าดูรโอูบไรแล้ ว, ว, ล ว, ว ม, าามันเช่า่มัน มันจะท่าหนักได้งนาเขาเบิ่งหนังเหนก็บีมันเดืดมันเขาดงห่างๆกันด้วยบ่เบิ่งๆมันได้แล้วแกนของชาวนยินเด็กที่หุ่นเนี่ยเระันเจะพูย่างกาอธิบายฟังดูคนเคยไปลยูด้วยผมจ้างหอดไม่ใส้ของคนบุญแล้วคนอุสงค์ไว้เอา่วางวางเสียเฮ้ยแกาเด็กกันเนะแถมจะพังมาหันมานเนาะ ในยังเห็นบมมีแบบมีสบัติผาเราเห็นในคมคนมีแบบมีส บ, บับเล็กซี่หน้วยคข้ามาใน เ, นนน ม, นหหนเมืองน้ำน้ำกันนั้นหกขนจับจับเศษมือหันมันก็ จ, กจะด้เหมาะตามสร้างเขากำหนดไงเนล้วเห็มมูนี่ไปหนวันลาดเดินคู่เมื่อไหรเหรอ เหตุผลนั่นแหละหลักดับเมื่ของพระเท่ถ้าก่อสร้างเกี่ยวกับทางโลกเพาะต้องเอาทางโลกเขามาเป็นหลักเหตุผลของเราด้วยหลักวิชาเขาเรียนมานั่นเป็นเครื่องยืนยันรับรองไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เรียนไม่รู้ไปอวดดิวเขาได้ยังไงอย่างนั้นเชื่อเขาด้วยสิ่งไหนที่เป็นที่แน่นอนของเขาเราก็ต้องเชื่อเขาเาะั้นนั่นก็เป็นธรรมแล้วไม่เชื่อเขาเป็นธรรมได้ยังไงนี่ส้วยมันเป็นทิฏฐิกิเลสตัวหยาบหยาบนั่น นี่เป็นยางไงเหรอนีนเน่เขาว่างก็ต้องทำตามเขานั่นถ้าไม่ทําอย่าทำํำสิ่งที่เราไม่รู้ต้องชื่อเขาเนี่ยเป็นยังไง น, นั้นอย่างหัวใจแต่คิดดูที่ไปนวดเส้นผมเคยพูดให้ฟังแล้วนี่ถ้าลุงรัปล่อยแล้วปล่อ ย, อยบอกคุณหมอเลยเอาหมอมีหล่า ว, วิชาเท่าไหร่มีความสามารถขนาดไหนกำลังเท่าไหร่แล้วเอาฟาดให้เต็มเหนียวนะบอกนีู่เลยไม่ต้องมาผูกความเกรงอกเกรงใจว่าอาจารย์จะทนได้หรือไม่ได้งั้ น, นให้มันได้ทางหล่า ว, วิชาแล้ว ความสามารถลงไปอ๋อเต็มเหนียวนะแ ว, วา่างที้ไหนทีไปนวดกรุงเทพคาที่แล้วมันเขาก็ฟาด้องเจ้าบุยนี่โปงนี่มันยาวว่าสองเหนิวผมตอนนิวโป่งเขานี่ห น, หนึ่งนะฟาต้อสงมือเามันใส่พังดุนก็จะพูดถึงใส่พังอมยือว่ามันขาดแต่จบนมื อ, มอเฉยแล้วปล่อยเขาแล้วเอาฟาดต้องป้่ เขาจะนี่แหละเขามองข้ามผมมองข้ามผรงนี้เขาคงแค่คิดว่าผมนี่อดอสู้อะไรทนความอดความเจ็บความปวดนั่นแทบเป็นแทบตายเขาหาได้คิดไหมว่าเราเป็นนักศึกษาในเวลาเขากดตรงไหนตรงไหนพราะเราเชื่อหมอแล้วนี่เรแล้วึงปล่อยให้เต็มที่เอาสมมติว่านูดกันแล้วนวด น, นี่บอกว่าแขนขาดไปแขนท่านขาดไปแล้วขา้างนึงเอาขาดไปเถอะหมอทํำให้ขาดเอาข้างไหนมันยังมีเออเมืไหนัน่นถ้าไม่ใช่หมอผมไม่ให้ เจ็บเฉยผมไม่เอาเจ็บไม่แน่ใจนี่ไม่ยอมเสียสละถ้าเจ็บเป็นที่แน่ใจว่าถูกแล้วเอาฟาดลงไปอะไรขาดขาดลงไปมันจะไม่ขาดถ้าลงหมอแล้วนั่นนี่ก็เราสังเกตดินเขาปวดเส้นไหนแต่มันยิ่งเป็นยังไงเราคอยสังเกต ด, ดูเพื่อจะเราจะเลยแนะพระเวลามานวดให้เราเขาหาในคิดอย่างนั้นไหมเขาก็คิดว่าเราจะทนทุกทรมานนี้ แต่เาหาไปจนใหม่เเป็นนักศึกษาอยู่ผมนันมันไปยังไงยังไงทั้งเหตุละเอียดอ่อนพอนวดเส้นงอแล้วปุ๊บปั๊บขอกราบหลวงพ่อมาขอกราบเลยกรับตรนี้เลยลหรอถ่ายผู้ผมตั้งนวดเส้นมานี่นะได้แสนกว่าคนก็เจ๊พูดจากอาถรรพ์นะไม่เคยมีรายใดในประวัติชีวิตของผมที่นวดเส้นมาเนี่ยมีหลวงพ่อ อ, องค์เดียวที่เท่านั้นวัง ที่ผมได้นนวดเต็มแม่เต็มหน่อยเต็มที่กำลังความสามารถตามหลักวิชาแล้วนะันะมองหน้นแต่ล่งกโอองกะล่างโกะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เราเชื่อหมอเป็นงั้นชนรู้ว่าหมอมาให้กินยาเท่านั้นเม็ดนะหมอเป็นคนสั่งหมอเป็นคนมอบให้เราเอากินเลยถ้าหมอสั่งเขาดูสั่งไม่เอาเพราะเราไม่เชื่อถ้าเราเชื่อเราเอาอย่างนั้น ไม่เชื่อสักอย่างเดียวหรือว่าเชื่อสัอย่างเดียวเท่านั้นหนักลงหมดเลยผมนี่ก็เชื่อหมอเขาแล้วนี่ฟืนหมอเขายังไงหมอเขามาฉีดก็ฉีดหมอเขาว่าไงเอาพี่เราเชื่อตัวยังไม่ได้เชื่อตัวเองไม่ได้แล้วเขาช่วยก็จะเชื่อเขาที่มาเชื่อจะเข้าไปจะไปให้เขาช่วยจิตเราเป็นอย่างนั้นเราเหมือนใครถ้าว่าเป็นเหมือนกนก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ลงไม่ลงถ้าลงลงเลย À, i ế p c h a n y